พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ดลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่สองเมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าเมื่อร่างกายสังขารเปลี่ยนไปอา้าวลูกหลานอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองเมษายนพุทธศักราช2560เมื่อวานหลวงพ่อออกไปฉันข้างนอกลูกหลานฉันที่อุดอรพอฉันเสร็จแล้วก็ได้แวะเวียนแวบเข้าไปดูเสาเข็มที่เขาตอก เจดียขององค์หลวงตาเมื่อวาน เ, าเพราะพอฉันเสร็จแล้วก็ไปพระทั้งหมด9ก้ารูปไปกันนั่งพบกับศรัทธา ญ, ญาติโยมกับผู้ดูแลบริษัทควบคุมงานบริษัทคอนเซ้าตกับผู้ที่เกี่ยวข้องอาถามไถ่ดูว่าตอกเศ้าเข็มได้เท่าเท่าไหร่ทราบมาวันนี้ได้ทั้งหมด เจ็ห้าบห้าต้นวะนะก็มากล่ะถ้าจะดูในภาคอีสานะตั้ ง, ตงแต่หลวงพ่อเกิดมาเนี่นะยหลวงท่าเกิดมาเนี่ยขนาดนี้แนหะไปในสถานที่ต่างๆในอีสานไม่เคยเห็นเสาเข็มมากขนาดนี้ทีนี้เราทําให้แข็งแรงที่สุดจะอยู่ให้เป็นร้อยเป็นพันปีเพราะนั้นเราจึงได้ตอกเสาเข็มนี้ แบบ น, น, นั้นเสามิตรนเสาใหญ่ๆเสายาวอีกต่างหากเมื่อวานนั่นนะจากนั้นก็กลับวัดแต่วันนี้จะได้ทําไม่มีอะไรหลวงพ่อก็คงจะได้ออกไปประมาณตอนเที่ยงและตอนบ่ายตอนเที่ยงนะ่ะมันจะออกไปเขา น, นี่ยมนไปแสดงธรรมหรือไปกล่าวเกี่ยวกับพระพระมรณะภาพที่ เขตน้องบวลํโพูอายุพรรษาเขามากแล้วที่หลวงที่เขามาเนมลนพระมานมนเนมลนผนเรื่องพระมรณาภาพในหลวงพ่อก็ใส่ใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพระครูบาอาจารย์เป็นหัวใจของชุมชนนั้นเมื่อมรณะภาพลงไปแต่ละกลุ่มก็เหมือนกับ ต้นไม้ในบริเวณนั้นน่ะโค่นนกกาอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นก็รู้สึกว่ า, าสถานวันไหวไปเหมือนกันเพราะนะั้นหลวงพ่อจึงถือว่าการที่พระมรณภาพนะถึงหลวงพ่อจะอายุมากแก่ชรานะอายุถึงขนาดนี้หลวงพ่อยังใส่ใจนะแต่คณะสัตยาญาติโยมเอื้อนะั้นก็ต้องเอาไว้ไว้ก่อนเพราะว่าถึงอย่างไรก็มี ่งวงศาขนาญาติกัช่วยชยกันดูแลแต่สำหรับพระในหลวงพ่อเนี่ยดูๆแล้วจะจะดูจะดู เ, เป็นกรณีไปอยู่แต่วันนี้หลวงพ่อจะได้ออกไปนี่แหละไปกล่าวหรือ ว, ว่าไปแสดงธรรมแต่หลวงพ่อก็ถามแล้วถาทราบข่าวว่าเป็นอะไรพระก็ประมาณสักห้าสิบกว่ากว่าพระหกสิบ แต่เมื่อวานนี่ก็ที่พระมรณาภาพที่โคกสาครอันนั้นแปดสิบกว่าท่านบวชเมื่ออายุมีอายุแล้วค่อยบวชอายุแปดสิบกว่าท่านแต็มมรณาภาพท่านก็เป็นผู้เดดดเดี่ยวนะดงตาเนยเป็นผู้มุ่งมั่นในอัดในธรรมพอสมควรคนไม่ค่อยพูดนะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เพียรลูกศิษย์ลูกศิกษย์หลวงปู่เต็ม ที่ไปเมื่อที่ลุงพ่อได้ไปแสดงธรรมวันก่อนแต่ว่าเมื่อวานนี่ก็แต่วันนี้จะไปองค์นี้ก็ทราบข่าวว่าที่แล้วหกล้มหรืออะไรเนี่ยละสถานะนั้นและจากฉะนั้นก็มีอาการปากปากปากเบี้ยวไปหาหมอหมอก็สงสันสนิฐานว่าคงจะเป็นเส้นเลือดตีบ จากนั้นก็เลยให้ยาเข้าไปให้ยาอาจจะเป็นขยายเส้นเลือดมันอาจจะเป็นเส้นเลือดแตกออนั่นแหละดูๆแล้วท่านก็เลยฟังฟงดูแล้วก็ได้มรณะภาพไปมาคิดถึงเรื่องนี้ก็มาคิดถึงเรื่ององค์หลวงตาวงหลวงตามหาบัวก่อนที่ท่านจะจากไปตอนเช้าอย่างนี้แหละ พระสงฆ์ไปบินธบาติท่านก็ท่านไม่บิณธบาติกับหมูนะท่านบอกว่าการไปบินธบาติเราไม่ไหวแล้วพอไปบินธบาติศาารัทธาญาติโยมลูกหลานใครๆก็อยากจะได้บุญเอาน้ําใส่เป็นแผลใช่ไหมพอใส่เข้าไปสําหรับผู้เท่าบา่าอสายบาตมันจะหลุดบา่าเอาท่านี้พระนิสิตท่านก็เลยให้หลวงพ่อจุวใจเป็นผู้บินธบาตแทน ท่านกเอาบาด เ, เอาบาดให้ลุงพ่อสุจัยเป็นบินทบาตแล้วท่นะทานก็ตอนเช้าเย่นี้ท่านก็ไปเดินจงกลมในป่าท่าข่างกุฏิของท่านมีกุฏิมีที่พักแล้วก็ทางเดินจงกลมท่านก็ไปเดินจงกลมแต่วันนั้นท่านเดินจงกลมเอ๊ะขาอ่อนใไหมอ่พราะขา อ, อ่อจแล้วท่านก็ไปบ้วนปากเพราท่านเขียวหมกักพอเขี้ยวปากเอาน้ําเข้าไปในปาก ริมฝีปากมันไม่หุบน้ําทีอหนพอมันไหลเข้าไปแล้วมันไหลจ่าออกมาเลยพอน้ําอกมาไหลจ่าออกมาเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ทานวันนะจากนั้นท่านกา็ออกมาออกมาท่านก็ไม่ได้พูดให้พระฟังนะออกมาท่านก็ตามปกตินะก็ศรัทธาญาติโยมมาเนะ่ยมาก็ฉันจัดอาหารเสร็จแล้วท่านก็ฉันพอฉันท่านไปแ ล, ล้วไอ้ริมฝีปากเนี่ยมันไม่หุบข้าวเนีย มันไม่มันไม่มันไม่เ้เวลาเอาข้าวเข้าไปแล้วเวลาเคี้ยวเนะ่ยมันมันไม่ปิดนะเอใคร่ข้าวว่าริมฟีปากไม่ไปตามบัญชานะที่ที่อยากจะให้มันเป็นนะมันข้าวเวลาเคี้ยวหารมันก็หล่นลงมาทาั้งข้างนอกนะทั้งเข้าไปข้างในด้วยทั้งกืนด้วยทั้งออกมาข้างนอกด้วยเพราะมันริมฟีปากมันไม่ปิดนะ ท่านก็แปลกใจพอสันเสรเสร็จแล้วก็ท่านก็บอกพระพระอุปถาเข้ามาเห็นไหมเนี่ยข้าวของเรามันหล่นลงมาเต็มหน้าตักไปหมดเพราะริมฟีปากของเรามันไม่ไม่ปิดทันวันนะเมื่อเช้ามันเป็นมาแต่เมื่อเช้านาะนะาี่เออพร้าวนนกระซิบกระซาบไปบอกหมอหมอทางโรงพยาบาลก่อจัดนินมนต์ท่านตรงตรง ก็ไม่กล้ามนนี่หมุนท่านเพราะท่านไม่ไปโรงพยาบาลก็นด้หมุนท่านไปตรวจตราทนะ่นเป็นไงเออตาก็ผิดปกติทำไมตามมนรู้สึกมันผ้าผ้าเออมันจะปิดลักษณะไม่นเนนดหรือว่าผ้าผ้าลักษณะโอ้โค้ดที่หมุไปตรวจตรานะแต่ที่แท้เขาจะจตรวจนะ่ยคือเส้นเลือดเส้นประสาท ต, ตัวไหนนะพอเขาเอาไปเขาไปตรวจตรวจโรงพยาบาลถึงสองโรงพยาบาลนะ ต้งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกต่างหากพอตัวเจรแล้วก็กลับมาพอกลับมาเขาก็เริ่มให้ยาแต่หมอทางอุดรท่านก็ไม่ชำนาญเพราะว่าเป็นหมอในชนบทถึงเก่งยุ้าม่านก็ไม่เหมือนหมอกรุงเทพใช่หลวงพ่อได้ยินเมื่อตอนเที่ยงบอกว่าหลวงตาไม่สบายตก ง, งพ่อกับปี่เข้าไปเลย เข้าไปก็ไปถามพระไปกราบท่านน่ะท่านเออวันนี้รู้สึกวันเราไปเดินโยกรมมันเป็นอย่า ง, งั้นอย่างนี้กรพูดให้ฟังเสียจแล้วท่านเออเล้เราจะพักละเราก็รีบออกมาพออกมาแล้วก็อืมลักษณะอย่างนี้ไม่ตีบก็แตกไปแตกก็ตีบออควรจะให้หมอหลายๆคนปรึกษากันไม่ควรจะให้หมอกลุ่มใดกลุ่มปรึก ทาว่ามมีหมอทางกรุงเทพมาด้วยนะคงจะดีมัง้งลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาก็มีตั้งเยอะแยะหลวงพ่อก็เลยโทรมาหาเท่าแกกกหุคงนะคุณธนันชัยบอกว่าคุณธนันชัยถ้าเป็นไปได้นะ่อยากจะให้หมออาจารย์หมอนิพนธ์พวงวรินหมอที่ดูแลเกี่ยวกับนี่แหละเกี่ยวกับประสาทเช่นประสาทในร่างกาย หรือว่าเช่นเลือดเนี่ยท่านเป็นเป็นผู้ชํานาญในเรื่องนี้ถ้าถามท่านก็ดีนะอาจารย์เท่าแก่พวกหงก็เลยโทรไปพอโทรไปเลยก็เป็นเน่ยนะเป็ น, ว, นวันวันตุตุจจีนใ น, ะนช่วงนั้นนะ่ะอาจานย์ตุจจีนก็เลยผสานทางหมออุดรกับหมอเออทางศิริราชอนาะจารย์หมอนิพน์ เขามาคุยกันคุยกันทางโทรศัพท์เวลาตรวจเป็นยังไงฟิล์มเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงที่เสร็จเสร็จแล้วทางจานหมอทางกรุงเทพก็เลยเอาจัดยาจัดยาให้ให้ฉันยาแบบนี้แบบนแบบนี้นะมีไหมยาทาง อ, งอุทธรมีแท่เนื้อเอาเข้าไปนะแต่หลวงพ่อก่อนออกมาจากบ้านตาดพอก่อนออกมาหลวงพ่อก็เรียบ พระกูบาที่เกี่ยวข้องมาเฮ้ยกูบาทาั้งหลายบางทีผมออกไปนี่ผมอาจจะบอกไปทางกรุงเทพนะแล้วก็ให้หมอทางกรุงเทพโทรมาอุดรให้ปรึกษากันเสร็จแล้วเนะี่ยหมอทางอุดร อ, อาจจะเข้ามานะประมาณชั้ตอนกลางคืนทุ่มสองทุ่มอาจจะมืดก็ให้ใส่ใจทางประตูสักหน่อยนะ เพราะว่าบางทีเขาอาจจะกดเขาอาจจะตะโกนหรือว่าอาจจะไม่ได้ยินให้พระไปช่วยดูสักหน่อยนะเขาบางทีพระบางทีหมอเขาจะเอายาเข้ามาถวายองค์หลวงตาพาแตงค์รับรู้รับทรา บ, บ, บจากนั้นกลุงพ่อเขารีบออกมามากจัดการโทรอย่างที่ว่านทางนี้นเขาปรึกหมอก็ปรึกษากัน ทางหมอทางอุดรก็ไม่มั่นใจเหมือนกันหรือตีบหรือแตกพอามอาการลักษณะอย่างนี้แต่หมอทางกรุงเทพเอท่านเคยชํานาญมาแล้วนะก็ก็เลยบอกว่าน่าจะใช้ยาตัวนี้ตัวนี้ที่นี้นะถ้าไม่ดีขึ้นนะผมจะขึ้นไปแต่วันนี้ผมยังขึ้นไม่ได้เพราะเป็นวันเป็นวันนั่นแนหะวันตรุษจีนก็จากนั้นเขาก็ส่งยาขึ้นมาไอ่ บอกให้ยายาก็เข้ามาอย่างที่หลวงพ่อพูดนะนะพอมาทุ่มสองทุ่มแล้วเขาก็ส่งยาก็มาถวายองค์หลวงตาพราะหลวงตาโพธิฉันยาอะไรเรียบร้อยวันพุ่งวันรุ่งขึ้นท่านก็ปกตินะ่ะเป็นปกติก็ไม่มีอะไร น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือการป่วยในคราวหนึ่งครั้งหนึ่งขององค์หลวงตาที่ผิดปกตินะ่ะนี่หลวง หลวงพอนะ่อเน่ยดูๆแล้วก็มีอะไรถ้าเกี่ยวกับล้มตาเนะี่ยหลวงพ่อจะจะเข้าไปดูๆเลยนะถ้าไม่มีอะไรหลวงพ่อกับเฉยๆอยู่ข้างนอกนะเพราะว่าท่านมีทุกสิษย์ลูกหาต่างเยอะแยะไปหมดแต่มีปัญหาเข้ามาหลวงพ่อก็จะต้องเข้าไปเข้าไปดูไปช่วยกันคิดนะี่ยนี่แหละสรุปแล้วก็คือโรคภัยไข้เจ็บ มันเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานน่ร่างกายสังขารอาศัยมันอยู่เป็นวั น, วนๆเดือนๆปีๆไปเฮ้หายใจไม่เข้าล้วก็ใช่หายใจไม่ออกแล้วก็ใช่อย่างวันนี้วันนี้จะได้ไปทาให้เจ็บไป่ป่วยนะหลวงพ่อก็คงจะไปจะแดงทำไปพูดไปกล่าวเพราะในช่วงนี้ดูๆแล้วพระ ที่มีอายุพัรษาก็ร้อยหรอลงไปเรื่อยๆแต่เราไม่ให้ความสำคัญต่อพระลูกหลานก็อย่างไรอยู่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพอที่เราจะช่วยเหลือปกป้องดูแลเรื่องต่างๆเราก็จะต้องได้ช่วยคิดอีกเหมือนกันเพราะว่ามันเป็น ช่วงที่ครูบาอาจารย์กันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่จะไหวไหมแต่หลวงพ่อก็ยังคิดอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะปีนี้อายุเจ็ดสิบสองปีสิบสองหกเจ็ดสิบสองเมื่อเมษาเนี่ยในเมื่อครบเมษาแล้วก็หลวงพ่อพูดตั้งแต่ปีเจ็ดสิบถ้าถึงเจ็ดสิบแล้วเราควรจะงดกินนิมนต์ลงบัง ไปในสิ่งที่ตรงที่จําเป็นและสำคัญอตรงที่จําเป็นสําคัญก็คือผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นเออไปเอถ้าว่าพอจะหลีกเลี่ยงได้ก็ให้ครูบาอาจารย์น้อยหนุ่มไปซะแต่ตจะทะเละถลายมาอีกยิ่งหนานแน่นเขาเรื่อยๆนะแต่นี่แต่หลวงพ่อหลวงพ่อก็ยังคิดเหมือนกันนะนะโอ้ เบรกครั้งหนึ่งเราเปรกเมื่ออายุเจ็ดสิบคงจะเบรกเมื่ออายุเจ็ดสิบสองเลยคงจะเบรกเอให้แรงขึ้นไปกว่านั้นเองคงจะงดให้น้อยลงไปอีกอจะหยุดหรือเปล่าจะอยู่ได้หรือเปล่านะแต่ว่ายังไม่เจ็บไม่ป่วยก็ยังว่านะหลวงพ่อไม่เจ็บไม่ป่วยยังไปได้อยู่นะเขาก็คงจะว่าในเมื่อเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเท่นะันแะ ไปไม่ได้เขานั้นอะคือจึงจะอยู่ได้มีข้ออ้างแต่ยังพอไปได้อยู่กับเมื่อนก็อเอ้ยหลวงพ่อเล่นตัวหรือเปล่าแต่คนนั้นไปคนนี้นไม่ไปอย่างนั้นอีกมันยากนะลูกหลานนะสรุปแล้วก็คือหลวงหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะนะเป็นพระของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเป็นพระในพระพุทธศาสนา เป็นการวางตัวถ้าพอไปได้ก็เออเอาไปถ้าปอมปอมไม่ได้ก็มองดูธาตุขันของตนเองเ อ, งองีกอแต่บางคนลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานของเราโง่โงอก็บอกเอ๊ะทำไมคนอื่นท่านถึงยังไปทําไมจึงไปทําไมของเราจึงไม่ไ ม, ไม่มาเขาหารู้ไม่ว่าในช่วงนั้นหลวงตาในขี้แตกขี้ไหลเจ <c oughs> ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้เป็นหนาวปวด อะไรในร่างกายของท่านเพราะร่างกายมันลดมันแก่แล้วหารู้ใหม่ใครจะไปบอกทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้นะไปบอกอะไรประกาศไปมันก็รู้แก่ใจรู้แก่ร่างกายคนตัวเองอเขาไปไม่ไหวไปในเมื่อไปไม่ไหวก็ต้องหยุดจะเป็นใครก็ตามจะเป็ น, นพรมอินพรมหน้าไหนก็ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ไหวสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนะ พวกเราที่อยู่ใกล้นะพวกอยู่ใกล้หลวงพ่อนะจะไปให้ได้อย่างใจพวกเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะลูกหลานนะให้ฟังเอาไว้ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนหะลวงพ่อจะดูธาตุขันของตนเองถ้าไปที่ไหนแล้วไปผลสุุดขนาดารู้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหนาวสันงกง ก, กันงานก็ยังไปผลสุดไปเลยสลบสลายอยู่ในมรานของเขา ถามออกมาหามขึ้นรถสง่งลูกหลานทั้งหลายเขาก็จะตำหนิโอ้หลวงพ่อเอ้ยร่างกายของตัวเองเขารู้อยู่แล้วจะไม่ไหวจะมาทำไมทำให้เป็นภาระของคนอื่นเขาทำไมไม่มองสังขารของตนเองบ้างสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนะ เ, เราต้องได้คิดอีกเหมือนกันนะลูกหลาน การที่จะไปณนะสถานที่ใดไม่ใช่หลวงพ่อไม่คิดนะหลวงพ่อต้องคิดนะต้องคิดในสิ่งที่อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะพออายุถึงปู๋นนี้แล้วนะแต่ถึงยังไงนะลูกหลานทุกคนนะที่จะยินเสียงหลวงพ่อเนะ่วันนี้เป็นวันที่สองไดนะ้่ยเบษาวันที่ยี่สิบเจ็ด เมษามีอะไรในปีนี้พวกเราเป็นเจ้าของบ้านจะรองรับอย่างไรต้องคิดคิดดูน ะ, ะช่วยๆกันคิดไม่ใช่ว่าใกล้ๆวันเนยค่อยมาคิดกันไม่ทันนะอันไหนควรที่คิดอันไหนควรจะปรับปรุงแขกควรจะเข้ามาแต่ปีนี้รู้สึกว่าหลวงพ่อมองมอ ง, มอ ง, มองดูแล้วนะคิดคิดในใจนะ มันขึ้นในมอมอคือหมอดูนะขึ้นมาในมอปีนี้หลวงพ่อว่าลูกหลานคงจะเข้ามาเยอะนะในวันเกิดของหลวงพ่อเนะี่ยพอหลวงพ่อแก่ขึ้นไปนเรื่อยๆสุขกว่างกวา ง, วางจัตทายญาติโยมลูกหลานเขาเข้ามาพวกนั้นพวกเราที่เป็นเจ้าของบ้านนะช่วยๆกันคิดเนอะจะทำยังไงจัดการยังไงจะดูแลยังไงจากนี้ไปยี่สิบกว่าวัน ก็ถ้าจะว่ามากไหมก็มากถ้าจะว่าน้อยไหมก็ น, น้อยนะถ้าเราพร้อมอยู่แล้วมันก็ไม่ไม่เห็นว่าไม่มันก็ไม่มากอาถ้าเรายังไม่พร้อมเนะ่ยมากนะยี่สิบกว่านวนะันดังั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อไมาได้จัดงานอนยะ่างที่หลวงพ่อเคยพูดทุกปีนะแต่ลูกหลานโอ้ลับไปไหวแต่หลวงพ่อ อ, อ่ะ คนมันมากมากเกินไปจะให้พวกผมรับยังไงเกินกว่ากําลังที่จะรับแล้วก็ให้พวกเราบอกมานะหลวงพ่อจะแก้ไขหลวงพ่อจะแก้ไขเองเพราะมันเกิดจากหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะแก้ไขด้วยตนเองไม่ยากหลวงพ่อแก้ไขนะแต่ลูกหลานเขาคงอยากจะรู้ว่าหลวงพ่อจะแก้ไขยังไงคนมาต่างเยอะแยะหลวงพ่อจะแก้จะไปยากอะไรหลวงพอ่อจะหนีจากวัดจะก่อนที่จะมีงานนะ สักหกเจ็ดวันใช่ไหมล่ะใครแค่เขามากับหลวงพ่อไม่รับรู้รับทราบเอมาปีหน่ากระทําอีกอย่างเขาสักสองสามปีหายใครจะมาเลเงียบเลยล่ะอจะไปยากกัอะไรมีอยู่กับหลวงพ่อใช่ไหมถ้าลูกหลานทั้งหลายเห็นพ้องต้องการเราเออหนักก็ต้องสู้ทุปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวมีวันสองวันเท่านั้นแหละถ้าลูกหลานพร้อมเพียงสามัคคีกันคือเอาได้ หลวงพ่อก็ยืดหยุ่นไปตามท่านลูกหลานบอกปฏิเสธก็บอกมามันมันเรื่องจกุกับหลวงพ่อทั้งหมดหลวงพ่อขยับนี้ออกจากวัดมันก็จบไปที่ไหนก็ได้หลวงพ่อคนเดียวนั่งรถไปหลบอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นไรไปหลวงพ่อทําได้ทั้งหมดเหลืองโลกนินทาสรรเสริญมันอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดใครจะนินทาก็นินไปท่าลูกหลาน ได้เหยียสันัเสินเกิดสนัเสินเวล่าลูกลานเนะ่มันอยู่กับข้าเนะี่ยข้าไม่ทำความดีมดออ ข, นะข้านะไม่ทำความชั่วใช่ไหอถ้ามองดูตนเองอยู่อสู่เจ้าจะทำยังไงเป็นปากของสู่เจ้าข้าไม่ทำความชั่วเช่อย่างเดียวความชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทำลงไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนะ อ, อันนี้เรามองตลอด สิ่งที่มันไม่ดีอย่าทาวันนี้ให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับลูกหลานตอนน่อให้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร